ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรมจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนีว่าภิกษุทั้งหลายชะไหนภิกษุณีทุลนันทา